พระธรรมเทศนาแผ่นที่48ลำดับที่2โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่25พฤษภาคม2556ในโอกาสที่มอมหลวงสลาลีกิติยากรเข้ากับคารวะขอพรโดยมากที่เป็นไค ลูกตามาหัมบูร์งานลิละของท่านเล่นใหญ่คงจะรับอะไรเนื่อว่ามองน้าทึ่งคงได้ร ing, ับแล้วแตงกาอันนี้ของหลวงปู่ล่าอ <ouch> ันนี้ควาัใจยังกระด้าอันนี้เป็นน้ำผงลูกตาอันนี้เป็นนอำ้งองอจมาตาอันนี้ต่อต่อต่อต่อต่อต่อเตรียมตัวตายเตรียมยังไงเตรียมตัวตาย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 ท่นไปถามที่อื่นมาพอแรงแล้วเด๋ยามาถามลองเชิงผมเรียนๆผมไม่ตอบไม่ใช่ผมถามที่อื่นผมก็ถามแต่นี่ผมจะถามหลวงพ่อหนึ่หลวงพ่อจะตอบผมวา่าอย่างไงเออใช่จะให้ตอบเหมือนกันคงเป็นไปไม่ได้เอะตอบไปไม่ถามได้ไม่ได้ถามผมไปตรวจสุขภาพไปหาหมอหมอก็ตรวจผมเขาบอกว่าผมเป็นไวรัสซี ถ้าผมรักษาตัวไม่ดีต่อไปจะตับแข็งเมื่อตับแข็งแล้วจะกลายเป็นมะเร็งตับในพวกเมื่อผมเป็นมะเร็งตับ <_ S 1> ผมก็จะต้องไป <_ S 2> เข้าไปหาหมอรักษาตามอาการ <_ S 1> เพราะยาทุกวันี้ไม่มียาไทยยาปรางยาจีนไม่มียยรมมเรื่องมะเร็งตับต้องรักษาตามอาการในเมื่อผมรักษาตามอาการหนักเข้าหนักเข้ามันต้องหนักเข้าก็เป็นมะเร็ง พอในสุดพยาบาลก็เป็นพยาบาลหญิงเป็นส่วนมากในโรงพยาบาลเขาจะต้องมาช่วยผมเพราะผมช่วยตัเลนไม่ได้เพราะมันจะต้องมาเปลือ้อนผ้าแก้ผ้าผมมาเช็ดร่างกายให้แต่ผมก็รู้เรามันไม่ถูกตามพวินัยมันที่ถูกตามเพรคือไม่มีพวินัยข้อใดอนุญาตแต่ให้พยาบาลหญิงมาเช็ดร่างกายให้เพียบหนะักผมพูด มันผิดพีน่นายไม่มีทิ่ฆ่าบทนะแต่ใ น, นเมื่อเขาทำแล้วเนี่ยผมจะทํางองเพราะถึงช่วยสวนหนึ่งไม่ได้และผมขอถามท่านอาจารย์ในเมื่อถึงจุดนั้นเป็นอย่างนั้นเราจะตายในโรงพยาบาลหรือออกมาตายข้างนอกดีตามความเห็นของท่านอาจารย์ารามบัณิตอาจะมาภาพต่อไป น, นี้ต่อไป น, นี้ ปัญหาที่สองเาถามว่าขณะที่ใจจะขาดที่ไรที่ใจจะหลุดออกจากร่างในช่วงนั้นจะทำอย่างไรจะบริกรรมกรรมฐานไหนจะยึดอะไรจะปล่อยวางอย่างไรจะทำใจอย่างไรจึงจะถูกต้องตามความเห็นของท่านอาจารย์อ า, ามาภาพก็ได้ตอบนี้ ปัญหาที่สามเขาถามว่าผมอยู่กับครูบายจารก็ได้รับความสงบทางด้านจิตใจดีผมก็ผมว่าถ้าหากว่าออกไปอยู่ตามลำพังคงจะดีกว่าเพราะไม่ต้องจุ่งเยิงวุ่นวายกับการต้อนรับแขกคนอะไรมาเกี่ยวข้องไปภาวนาลูกเดียวเอ้ผมขอลาท่านท่านก็ให้อนุญาตเมื่อท่านอนุญาตผมก็ไป ใหม่ๆก็ดีเพราะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับอะไรพอไปไป ไ, ไปไปใจของผมไม่มีหลักมันไม่มีหลักยึดมันมีแต่ใจสู้เฉยๆแต่หลักทําในใจมันไม่มีพออยู่ไปอยู่ไปคนนั้นมหาคนนี้มหาใจของผมส่งออกส่งออกส่งออกใจส่งออกนอกพอในสุดผมอยากจะสิทธิ์ถ้าเป็นลักษณะอย่างนั้นท่านอาจารย์จะมีวิธีแก้ไขอย่างไรก็ถามข้อถาม สามข้ออัจมาภาพต่อไปนี้งอ่านอ่านที่ว่าตอบเขาว่าอย่างไงมีสามสามสามสามอย่างแต่นี้อันนี้เป็นเอ็มพีสามของลุงตาสี่จุดกว่าแผ่นอยู่ในนี้ทั้งหมดอันนี้เป็นของอาจมาภาพแต่อันนี้อันนี้อันนี้คือันนี้ที่ขาดแผ่นไดเป็นชื่อขาดชืออันนี้ด้วย m อที่สามก่อนที่จะเกิดขึ้นมาได้อัตมาเองก็ไม่ใช่นักเทศนักธรรมอะไรหรอกแต่ปีสี่แปดนักศิษาแพทย์มาห้ดนเข้ามาทาไมาอบรมที่นี่เขาอยากจะเข้ามาอบรมมาฝึกให้ชาวเขาไปวัดอื่นอื่นเขากเลย ม, มาเพราะว่าเราเราเป็นศิษย์สายของหลวงตาคิษสายหลวงตาเนี่สมัยหลวงตายังอยู่เลยอาจารย์หมออุดม โอษากิจสนะอาจารย์หมอ อ, อุไวเกษสิงอาจารย์หมอโรตัวนัสิทธิหลวงพ่อ น, นี้รู้จักพอยอยู่ถ้าเป็นพระดูแลท่านเหล่านี้อยู่เพราะนั้นนักศึกษาสมัยนั้นเขขึ้นมาสมัยนรงพยาบาลอำเภอยังไม่มีมีแต่โรงพยาบาลจังหวัดเท่านั้นแต่ท่านก็ออกมาหน่วยออกมาหน่วยพอท่านจะยกทีมขึ้นมาจากกรุงเทพมาขึ้นรถไฟมาลงกอุดรกับไปพักที่วัดป่าบ้านตา ให้พักความเมื่อตาท่นี้ค่ะท่านก็นมีรถตู้ของโรงพยาบาลศูนย์อุดอรไปอำเภอเพนบัง้งอำเภอบ้านดุงบัง้งอำเภอบ้านผือบัง้งอำเภอลอ้งบัวลำพูบัง้งอำเภอกลุมพยาวปีบ้างออกหน่วยหน่วแพทยสิบีราชควรทั้งหลายโอ้โหให้ความสนใจอย่างมากสุขภาพไม่มีใครดูแลพี่น้องประชาชนในยุคสมัยนะี้ที่เร า, าธรรมมาภาพู้อยู่ที่นในที่เขาบอาว่าอรรมมา อาตมาฟังรู้จักท่านอาจารย์หมอรุ่นเดอะรุ่นเก่าแก่แสดงเขาก็บอกว่าอยากจะมาเอาหมอรุ่นรุ่น น, นั้นเลี้ยนเลี้นนั้นมาอยู่กับท่านท่านจะรับไหมาอาตมาก็บอกอาตมาฟังดูแล้วไม่มีความสามารถที่จะรับคณะหมอได้เพราะว่าคือไปหมอทั้งหลายไหนจะไปอยู่วัดไหนเขาจะต้องมี มีคอสเวลาเข้าคอสตีสีทำเงนินตีห้าทำเือนหกโมงฉันวันสามโมงเที่ยงบ่โมงมันจะมีเวลาแต่สำหรับพระกรรมฐานอย่างอตมาศึกษามาอยู่กับหลวงถูหลวงตามันไม่มีคอสอยากนั้นถ้าจะเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลายัยก็เหมือนมหาวิทยาลัยเปิดเหมือนลามกําแหงและจุฬาไทยแล้วอะงนั้น นี่จะเอาตำราให้แล้วแต่แนะแนวให้ว่าให้อ่านนี่เล่มนี้เลื่มนี้นะเรื่องอย่างนี้นีก่กฎหมายอันนี้นะให้เสียล้วรหมอกให้กว <c oughs> เขาก็ไปศึกษาคนกว่าประสบการณ์มีความสงสัยตรงไห น, นก็มาถาม <c oughs> เราจะไม่สอนทั้งวี่ทั้งวันเหมือนมหาวิทยาลายัยปิดจยูลาและธรรมศาสตร์ไม่มีกรรมฐานของเรา <c oughs> เราเหมือนกับมหาวิทยาลัยเปิดเมนแนลแนลจนเอ็งแล้วนำไปนำไปถ้าตัวเองอยากจะดีอยากจะได้ความรู้กับศึกษา หลังจากนั้นมาท่านไม่ได้กับว่าสอบตกไปเพราะนั้นอาจารมาไม่สามารถที่จะรับนักศึกษาอมหิดนได้พราะมึงเราไม่จะสอนอย่างนั้นไม่ได้มันเป็นเรื่องหนักเพราะเราอยู่ในป่าดงพงพันปีหนึ่งก็ผ่านไปปีสองก็มาแล้วก็พูดอย่างนี้พอปีที่สามเอา้าเอาเถอะท่านท่านอาจารย์จะแนะนำสั่งสอนอย่างไรมอบให้ท่านก็นแล้วกันทดลองดู เราคือเอาได้มาปีนั้นมาสิบแปดสิบแปดนักศึกษาพอมาแล้วก็ถ้าเราจะปล่อยเราอบรมตามปกตินะแปดค่ำสิบห้าค่าเราจะอบรมพระพร้อมกับพระว่าที่ญาติโยมแต่ตอนเช้าเราก็พูดบ้างแนะแนวแน็แนวต่างๆให้ฟังว่าเรื่องนี้เป็นในตอนก่อนชั้นยังเราจะพูดมากกขาไม่ได้เพราะก่อนชั้นยังถ้าไม่พูดเฉลิมมันก็ห่างกันเกินไปต้องแนะแนว พระกรรมฐ า, านตําตนยังไงคิดยังไงปฏิบัติยังไงภาวนาอย่างไรในสงฆ์ยังไงรักษาศีลภาวนาอย่างไรอันนี้สงศีนัครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนอย่างไรเรพยายามพู ด, พดอย่างมากกว20 20กว่านาทีแล้วก็ชั้นนะครับอันั้นคือทุกวันแต่ด้ตอนจากนั้นมากังต่างองค์ก็ต่างอยู่เปนคนฟังศึกษา 13. ใครอยากจะฟังธรรมเทศนาเนาะ เดี๋ยวนี้วิทยาลัวิทยุของเราอยู่ที่ในวัดของเรานีเรารับจักดาวเทียนตั้งแต่สองทุ่มแล้วไปให้เปิดฟังธรรมเทศนาของหลวงตาหงตาเทศกลางกลางคืนเทศอบรมพระทั้งนั้นที่เขาเปิดทางในวิทยุให้เปิดฟังอันนี้ก็คือส่วนแต่สําหรับอาตมาภาพเอกอบรมเฉพาะวันพระแปดค่ำสิบห้าค่ําไหว้พระพร้อมกัน เกีน่กมีอะไรก็พูดให้คณะสัายาญาติของพระอันนี้คือทำพวกวัดแต่ในพอพอนักศึกษามาถึงเราเราจะอบรมแปดค่ำสิบห้าค่ำมาอยู่เดือนกว่าเขาเพียงสี่ห้าครั้งเท่านั้เองมันน้อยเกินไปสำหรับเขาที่จะได้รับการศึกษาถ้าจะปล่อยให้เขาศึกษาเองต้องคงจะ ก็่เไม่มั่นใจเหมือนกันเอาเถอะเดี๋ยวขณะนักศึกษาอยู่นี่เราจะอบรมทุกวันตอนเย็นก็เลย น, นัดพระทั้งวัดมาอบรมทั้งศร้าด้วยทั้งพระด้วยแล้วก็พูดให้ฟังประสบการณ์อย่างไงอยู่กับครูบาอาจารย์เป็นยังไงเราบวชมาอย่างไงมีความคิดเห็นยังไงเขาพูดให้เจ้าภาษาพวกเป็นยังไงทั้งมีนิทานทั้งมีชาดกทั้งมีอะไร เราอบรมจนนักศึกษาลาสิกขาพอนานทุกนักศึกษาลาสิกขาไปแล้วทีนี้พวกพระเขาก็เลยเขาก็อัดเป็นเป็นเทปเอาไว้เขาบอกว่าพระอาจารย์ครับผมจะขออัดเทปของหลวงพ่อเขาอาัดมาฟังได้ไหมให้ตัดท้ายแย่โยงพระในวัดได้ฟังเทปเราให้ เราไม่มั่นใจวะในช่วงที่เราพูดมันจะเราตักหลับต า, ลออ า, าแล้วก็พูดพูดพูดมันออกมายังไงเราก็พูดพูดเรายังไม่ได้เรียงลําดับเลยว่าเราพูดมันออืมันถูกต้องไหมตามหลักไหมเอามาเอามาให้เราฟังก่อนก่อนที่จะอัอดออกไปแต่ในพระก็เลยอัดเอามาเลยก็เลย ม, มาพระก็ฟังพอฟังอใช้ได้วะก็เลยมีเทปแผ่นที่หนึ่ง เอปีสี่แปดเนี่ยแหละต่อมาก็เลยพูดมาเขาก็เลยอัดมาเลยเป็นแผ่นที่สองแผ่นที่สามแผ่นที่สี่แผ่นที่ห้าเอแต่นี้สามแผ่นเนี่ยอันนี้เป็นทั้งหมดมันมีอยู่สี่สิบแปดแต่นี้เมื่อวันที่ยี่สิบเจ็ดเมษาที่ผ่านมาก็เลยเขาก็เลยอัดอีกเป็นวันเกิดของของสมาภาพก็เลยจําน ว, วนนี้เป็นอันสุดท้ายเพราะฉะนั้น โยมน้ำพึ่งจะจะฟังฟังอันนี้ย้อนหลังได้ก็ได้แล้วจะแล้วก็ฟังสลับลงตาแต่ตมาภาพบอกว่าเ <c oughs> ทศลงตานี่ยท่านเทศสูงเทศธรรมะไม่จ่กิเลสกิเลสแต่ถ้าผู้ไม่ได้ปฏิบัติจะฟังไม่ออกจะฟังฟังเข้าไปไม่เข้าใจแต่ถ้าหางว่าปฏิบัติแล้วได้ปฏิบัติได้พอนาเป็นแนวทางไปแล้ว ถ้าฟังของดวงตาแล้วจะฟังอันนี้ฟังกันไม่ได้เท่ากันถออต้องติดของดวงตาเท่านั้นพราะดวงตาเทพสูงท่านมีสะพูดเรื่องของใจใจใจกับที่ใจในความรู้สึกลวงตามหาบหุตรจะฟังจะ ฟ, งงงฟังของลวงตาฟังของหลวงพ่ออินไม่เข้าหูเลย <c oughs> <c oughs> แต่ว่าถ้าหากว่า พูดที่ยังไม่เคยพูดใหม่จะฟังหลวงตาเนี่ยไม่เข้าใจแต่ฟังของหลวงพู้เอ็นโอโ้โหพูดถูกจริงๆงเนเพราะนั้นจะฟังแบบเข้าใจง่ายนะคะเนี่ใช่เข้าใจง่ายเข้าใจง่ายแต่ว่าขอแนะนำอีกแนวหนึ่งก็คือก่อนที่เทศ แ, แต่ละกันแต่ละเรื่องเ อ, อย่างวันนี้ เออหลวงพ่อคูณจะมีการประชุมเพลิงนะวันพรุ่งนี้นะหลวงพ่อจะได้พูดพูดในที่ในในศาลานี้ก่อนเดี๋ยวกลางคืนนะหลวงพ่อจะได้พูดหลวงพ่อคูณจะได้ legen, ไประชุมเพลิงวันที่ น, นะ na, นั้นเวลาเท่านั้น่ะใครจะไปใครจะอยู่เอานะนี่แหละความแก่ความเจ็บความตายเป็นอย่างนี้แหละจากนั้นหลวงพ่อจะเข้าประเด็นเข้าประเด็นธรมรมะเพราะนั้นบางคนพอเปิดได้ยิน ข้งแรกมันเกี่ยวกับเราด้วยเกี่ยวกับลุงพ่อคูในต่างหากก็เลยปิดเลยพรปิดเลยจะคิดลุงพ่อเองพูดเกยงหนึ่งหรือสองนาทีกันนะอลัมพบดนะแรกจะเข้าประเด็นเข้าประเด็นธรรมะแต่นี่แบบมีทั้งนิทานมีทั้งชาโกมีทั้งแนวความคิดของหลักของพุทธศาสนาอันนี้จะคือขอแนะนําไว้ก่อนถ้ า, ถาอย่าอย่าฟังแต่หัวทีแล้วจะปิดไม่ได้นะั่ไม่ได้ฟังข้างในเออ แต่ถ้าหากว่าหลวงลง่ออาจจะมาภาพเองก็บอกเอหลวงพ่อฟังแล้วก็มันก็ยังไงอย่างไงอ ย, งอยู่เอาออกสัดทีไหมเขาเขาผู้จัดทําเขาบอกว่าอันนี้เป็นประวัติศาสตร์หลวงพ่อเพราะในยุคที่ผ่านผ่านมาเป็นยุคอะไรเรื่องอะไรแต่อย่างน้อยยังยั ง, ย, งยังจับประเด็นได้ว่าในพศออปีพศอเอท่านั้นอมีเรื่องนั้นเกิดขึ้นมีเรื่างนี้เกิดขึ้นมีเรื่เกิดขึ้น ก็ยังย you know <un> ังได้จับประเด็นได้พราะนนอย่าเอาออกอเอาไว้เอาไว้อย่างนี้ดีกว่าราก็อมอคงก็คงเพระนัมอบให้ทั้งหมดเลยแะอัน <anniversary> น <this> ี Jazz ้มอบให้คุณมอมน้ำพึ Elo ่งอันนี้ขอถวายพระองค์สและก็สิ่งที่ไม่มีแล้วคณะนะแล้วคนะติตาม ีได้มากราบหลวงพ่อแล้วก็ได้สั่งรูปแหลวงพ่อใหญาๆ น, นี้รูยย้สดกดีมากๆในครั้งถึงนี้นว่าจะเป็นระยะเวลาสั้นๆแต่ว่ารู้สึกว่าได้ได้ใจความพ่ง <c oughs> เองก็ปฏิบัติธรรมไปปฏิบัติที่ลําพู พุทะวัดตาอะไพุทธะพุทธพดอพุทธพสเป็นสายหลวงปู่มั่นพุทธพสดคือแห่งเจ้าเจ้าพระอริยลังโฉอริยลังแ่ว่ามไห่ก็จะหยุด อยู่แถวหนอยูที่อนในลำพูนอยู่ในตัวลำพูนก็เปิดเปิดถัดมเนี่ยคือมีคนมีคนคนหนึ่งมาจากกรุงเทพเป็นชายหนุ่มดูดูแลตาของเขาตาแดงคล้ายๆแบบคิดหนักมา มาที่วัดนะพอมาด้วยกันสองคนแต่คนหนึ่งอุดรเป็นเพื่อนกันแต่ขณะที่มามาด้วยกันใน น, นั่งรถมานึก่ก็ถกเทียงกันเพื่อนสองคนยังไม่ลงรอยกันนะในการสนทนาเรื่องธรรมะเ อ, อีสนทนาเรื่องธรรมะปฏิบัติยังไงทำยังไงเอีอ่ยนั้นก็พอมาถึงวัดเขาบอกท่านอาจารย์ครับเพื่อนของผมนะเนี่ยเขาตั้งใจภาวนา แล้วก็ถกเถียงกันมาตามทางมันความเห็นมันคนละแนวกันครับหลวงพ่อเอามันเป็นยังไงเราก็เลยพูดกันครับผมไปศึกษาปฏิบัติธรรมกับสำนักนั้นท่านก็สอนอย่างนี้สำนักนี้ท่านก็สอนสำนักนี้ท่าน ก, นน ก, นานก็ได้หลายสำนัก ผมก็เลยไม่รู้จะเอาเอาแนวไหนที่มาปฏิบัติก็เลยสับสนผมสับสนอย่างมากเลยจะเอายังไงจิงจึงจะถูกต้องเองนั้นก็ไวอง น, นี้อืยังไงตอเลยถามาอยากจะถามท่านอาจารย์ว่าท่านอาจารย์ในลักษณะนา้นท่านอาจารย์มีความเห็นอ ย, าย่างไรได้จะมาฟังฟังหนึ่รู้ ต้องสับสนแน่เถ้าไปยุกหนอพองหนอก็เป็นอีกอย่างหนึง่งถ้าไปเพ่งดวงแก้วก็เป็นอีกอย่างหนึง่งไปมโนไม่จะที่กำหนดตัวจิตใจดูใจสิอย่าไปกาหนดอื่นหัวผู้รู้ดูใจยอย่างเดียวก็อีกอย่างหนึง่งสูเวทนาทีการเคลื่อนไหวใครเป็นคนรู้ว่าการเคลื่อนไหวหลวงพ่อเทียนมันก็อีกอย่างหนึง่งบริกรรมหายใจ เข้าพุทธให้ใจออกโทเลยติเป็นยังไงคือสายลงตู่มันแต่นี้อันนี้อันไห น, น, นคือคือทางที่ถูกต้องฟังไปอะไรก็ยิ่งสับสน อ, อนะัก็บบรรยายอีกใช่มันถูกทุกคนนะหลวงพ่อไม่ได้จำนี่เพราะกรรมฐานของพระพุทธเจ้าท่านวางไว้ทั้งสี่สิบอย่างกรรมฐานสี่สิบอนุสติสิ พุทธานุสติธรรมานุสติสังทานุสติสีลานุสติจาคานุสติเทวตานุสติอาณาปานสติมรณะนุสติอุปสมานุสติอุปธมานุสติกิริทธุณท่านิทนิพพานอาณาปานสติกำหนดลมหายใจเข้าออกเทวตานุสติเล็กถีเทวดาเขาทำคุณงามอย่างคุณงามความดีอย่างไรจึงเป็นคนดีจึงเป็นเทวดาได้ พุทธานธืสติระลึกถึงสิ่ของพระพุทธเจะ้าทรรมานเ้อสติพ้ะธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าสังขานืสติระลึกถึงพระอริยสงฆ์สาวกของพระพุทพธเจ้าปฏิบัติปฏิบัติชอบอย่างไรจาคารนื้สติระลึกถึงอ น, นิสงทานของตนเองการทำบุญทำทานมีคุณค่ามีประโยชน์อย่างไรการสงเคราะห์อนุเคราะห์คนอื่นเขาสีรานเสติระลึกถึงสิ่ลของตนคนมีศีลแล้วจะอยู่ร่มเย็นเป็นสิ่ถ้าคนไม่มีศิ่จะทําให้ เดือดร้อนวุ่นวายไปทุกหัวละแห่งเราเลือกถึงสิ่งเทวตานุสติอันนี้คือกรรมฐานอนุสติสิทธแต่อันนุสติสิทอย่างเดียวเราก็ยังสับสนอยู่แลแต่ทีนี้ในกรรมฐานของพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าสติปัฏฐานสี่ถ้ารวมลงมาแล้วนีคือสติปัฏฐานสี่มันเป็นหลักในการพพุทธปฏิปัติ จะ ก, กรรมฐานไหนก็นเถอะที่พูดมาทั้งหมดมันอยู่ในสติปฐานสีทั้งกายเวทนาจิตธรรมกำหนดลมหายใจหายใจเป็นอะเป็นกายใช่ไหมยุบน็อปห้องหน็อเอากายกำหนดใช่ไหมแพ่งดวงแก้วอยู่ที่นี่มันอยู่แพ่งอยู่ที่กายใช่ไหมการเคลื่อนไหวเป็นแกายเป็นกายใช่ไหมเนี่ยดูในความรู้สึกนึกคิด เป็นจิตจิตตามลปัฒนาเป็นความรู้สึกของจิตใช่ไหมมันอยู่ในกายเวทนาจิตธรรมกายคือกำหนดกายให้รู้ว่ากายร่างกายของเราคืออ เ, เวทนาคือการเจ็บปวดการกระทบการเคลื่อนของของเวทนาส่วนจิตให้ดูความนึกคิดขณะนี้เรานึกคิดเรื่องอะไรให้ตามดูใจในความนึกคิดอันนี้ว่าจิตตานุปัฒนาสติปัฏฐาน ทำมาลูกัชนะชิิตมันคือทำมารมสิ่งที่ดีก็ตามมากระทบใจในสิ่งที่ดีเราก็ดีใจเพราะสิ่งที่ดีพอใจสิ่งที่มันไม่ดีเขาดูดาว่าเขาสิ่งที่ไม่พอใจมากระทบมันร้อนมันโมโหอันนี้อะไรวะทำมารมเออมันสิ่งที่มากระทบใจมันมีทั้งดีทั้งโชดทั้งดีเออมีทั้งดีทั้งเลวทั้งมันอยู่ในใจอันนี้หรอกกายเวทนาจิตทำ ธรรมารมที่มากระทบแต่นี้หลวงปู่มั่นเนี่ยท่านบอกว่าถ้าเราจะดูธรรมารมเนมันจับไม่ได้เพราะมันละเอียดมันจับนามธรรมาจับจิตตานุปัฏนาจะติปรานนี่ก็จับไม่ได้เพราะมันละเอียดมันจับไม่อยู่จับไปจับมาก็หายไปแล้วไม่รู้หายไปไนะ่ะเวทนาเนี่ยพอจับได้เพราะมันเจ็บปวดเอาใจอยู่จ่ออยู่ที่มันเจ็บปวดก็พอได้ ให้จับกายก่อนกายยานุปัสนาสติปัฏฐานให้จับลมหายใจเข้าออกก่อนถ้าจับลมหายใจเข้าออกแล้วรู้ลมหายใจก็ออกมีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าออกแล้วใจของเราอยู่กับลมหายใจก็ออกแล้วรู้อันนี้แล้วเราจะดูอันนี้ก็พอถูกได้ดูอันนี้ก็ดูได้อันนี้ก็ดูได้เพราะเราจับตัวนี้อยู่แต่ขนาดจับกายก็ยังไม่อยู่ จับลมหายใจเข้าออกยังหลุดแล้วจะไปจับเบียนาจับจิตจับธรรมไม่มีทางควา้วาน้ําเหลวเพราะะนั้นท่านจงให้จับให้ดูของอยากก่อนเพื่อให้ดูให้ดูให้อยุ่กายานุปัสฉนาจิตปัจจันคือกําหนดลมหายใจเข้าออกซะก่อนกำหนดลมหายใจท่านบอกว่าให้นั่งหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกอันนี้คือกรรมฐานของพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าที่ตัดสู้ในโคลต้นโพในวันเดือนหกเพลนนะท่านนั่งขัดสมาธิหันหน้าหันต่อฟักไปทางทิศตะวันออกขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทํากายให้ตรงจากนั้นกําหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกอันนี้คือกรรมฐานของพระพุทธเจ้าพอพระอาทิตย์ยังไม่อัตดงยังไม่ตกดินพระไทยใจขององค์รวมสงบลงเป็นหนึ่งพองรวมสงบแล้วท่านระลึกชาติผลหลังได้ จะบอกปู่เพยในวาสารุจติยาเกิดยาณาทัศน ะ, ะพอถึงเที่ยงคืนท่านนั่งภาวนานไม่นดัดแล้วท่านได้ย า, าณาทัศนะเกิดหรือไม่ท่านมองดูสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาในโลกทำไมไม่เหมือนกันท่านวงไจุตูตปะปะตาตะยาการจิติการเกิดการตายของสรรพสัตว์ทั้งหลายพอถึงจวนจะสว่างเราพระดวงดูว่าใจดวงนี้นะ่ะ ที่มาเกิดเวียนไหวตายเกิดในวัตตะสงสารตายตายกเกิดเกิดเนี่ยมันมาจากไหนพระอ้ก็ย้อนย้อนย้อนย้อ น, อนไปถึงอวิชชาปัจจะยาสร้างขาราสร้างขาราปัจจะยาวิญญาณนะวิญญาณนะปัจจยานมามอภูปังปปอูปัจจะยตะนาพัฒนาวิเศษตันหาอุปทานภพชาติสลามันั้นโศกเก่าปรีเยวสุขโตมนั้นสุดอันนี้ ความเป็นมาของจิปินดาพระองค์ย้อนไปดูไปถึงแต่อวิชชาคือตัวเมนในนั้นปฏิจจสมุปบาทเพราะทัานจัมองกับทำารรพระไทัยของพงค์ด้วยเจตปฏธรรมคือสิงสมาธิปัญญามักแ ป, ปะป้ใจก็หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสสำเร็จเป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาท่านประกาศได้ว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราแล้ว สิ่งที่เราจะให้เกิดเวียนว่ายตายเกิดเราชําระหมดแล้วด้วยตปะธรรมคือศีลธรรมะที่ปัญญาป้องเราชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายเราเป็นเยยำภูแลโยนสว่างวันเดืนเนเอนหกเพ็ญเมื่อสองพันห้าร้อยห้าสิบหปีให้หล่ะอันนี้คือพระพุทธเจ้ า, าแต่ท่านี้มาพูดถึงหลวงปู่ปูมป่มั่นถงหลวงปู่มั่นท่านเป็นต้นตระกูลของพระกรรมฐานสายลุงสายสายหลวงปู่มั่นหลวงปู่เจา้าหลวงปู่มั่น หลวงปู่เทศหลวงปูข่ขาวหลวงปู่มหาบัวหลวงปู่ล่าหลวงปู่ชาอผูบ า, จายจันเยอะแยะไปหมดหลวงปูแ่แหวนเป็นสายหลวงปู่มั่นทั้งหมดแต่หลวงปู่มั่นบอกว่าให้ภาวนาพุทธโธ ท, ท่านประยุกต์ใช้แค่ว่าถ้ากําหนดลมหายใจเข้าออกเฉยๆมันหลุดออกไปได้ง่ายให้ภาวนาหายใจเข้าบริกรรมพุทหายใจออกบริกรรมโธ พุทโธให้มีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าออกนั้นให้บทให้มีสติสัมปชัญญะพุทโธพุทโธแต่ถ้ามันมึงเผลอมันยังไพออกมันยังลดออกไปอยู่ให้ภาวนาให้ถีขึ้นพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธแต่ไม่ต้องพูดออกปากให้ใจของเราบริกรรมให้ใจของเรามีความรู้สึกของเราให้พุทโธให้ถีจิ๊บไม่ให้มันมีช่องว่างอันนี้ก็คืออะไรแต่ที้ลวง หลวงพ่อเองบอกว่าเอ้ยหลวงพ่อขอแนะนำอีกกรรมฐานหนึ่งนะให้ไปทดลองเวลาหายใจเข้าให้นับเจ็ดเราเราเดียวนี่มันคนชำนาญในการนับเงินนับทองนับอะไรตัมันนับทั้งหมดแต่ละปี่ตัวเวลาหายใจเข้านับหนึ่งหายใจออกนับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเวลาหายใจเข้านับหนึ่งจนถึงร้อยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด ตอนี้นพอไปถึงร้อยถ้ามันไม่เผอให้ละ ก, กลับมาหาหนึ่งใหม่นันบไปอีกถึงร้อยไม่เผยกลับหนึ่งใหม่เอาสักสิบครั้งจากนั้นค่อยพุทโถพุทโธหายใจเข้าหายใจเข้าพุทให้ใจออกโตต่อถ้ามันเผอมันเผยออยังไงให้สังเกตดูนะ เ, เมื่อเผอเวลาหายใจเข้าเป็นเลขหนึ่งใช่ไหมขี้ใช่ไหมหายใจออกเป็นเลขคู่สองเออสามขี้สี่คู่ห้าขี้หกคู่เจ็ดขี้แปดคู่ ถ้านี้มันเวลามันจะเผอือมันจะเบลอร์เบอร์เบอร์เบอร์ใช่ไหมล้วมันจะกลับเลขเออหายใจเข้ามันเป็นเลขคู่หายใจออกเป็นเลขคี่โอ้ใช้ไม่ได้หรอกเออต้องกลับมาใหม่เอออันนี้เห็นได้ชัดนะเห็นได้ด้วยตนเองไม่ต้องถามใครอีกต่างหากติของเราดีแล้วไม่ดีถ้าเขาจิติของเราเผออยู่เลยไม่เป็นผลดีนะไอ้คนขาดจิติมากๆเผอเผอเป็นบ้าเป็นบอได้ไง่ายๆเหมือนกันนะเพราะคนขาดสติตนี่เพราะฉะนั้นให้ เอาทดลองดูนะอันน <bonito> ี้ก็คือภาวนาคำดูลบนับลมหายใจเข้าหนึ่งหายใจออกสอเรียกว่าหายใจเข้าพุทธหายใจออกโธเรียกว่าพุทโธพุทธโธพุทธโธเรียกว่าหนึ่งสองนับอันนี้ก็คือกรรมฐานแต่ในหลวงพ่อก็บอกว่าเนี่ยคือหลวงปู่มั่นท่านแนะนําสั่งสอนอย่างนี้อท่านแนะนําสั่งสอนอย่างนี้อันนี้คือหลวงปู่มั่น พวกเราที่จะฟังจากครูบาอาจารย์องค์อ่ถ้าจะเปรียบเทียบให้ฟังก็ือไปถามคนทำนาเอวิธีหาเงินทำยังไงเอาปลูกข้าวสิเอต้องทำนาอยู่นี่ อ, นอธิบายไ้เส็จแล้วได้ข้าวมาขายได้เงินอืมใช่ได้เงินจริงๆไปถามคนปลูกมันสำปลังอีกทายัางไงจริงจะได้เงินคนนั้นก็อธิบายให้ฟังอีก ก็ได้เงินทีอีกพวกกียดยางก็ได้เงินขายก็โขดก็ได้เงินเลี้ยงสัตว์ก็ได้เงินทําราชการงานเมืองแต่ละแขนงแต่ละอยา่างได้เงินทั้งนั้นทีนี้เราจะเราจะเอาแขนงไหนเราจะไปทําหมดทุกอย่างเลรอทานาก็จะทําเลี้ยงสัตว์ก็จะทำํำตลอข้าราชการเราก็จะทํามันทำไม่ได้งงเพราะนั้นเราจะยึดอันไหนเป็นหลักให้ยึด เพราะนั้นหลวงพ่อเองอยากจะแนะนําให้เย็ดตามแนวแถวของหลวงปู่มั่นให้เย็ดตามแนวแถวนี้ทดลองดูนะอาตามแนวแถวหลวงปู่มั่นพาดําเนินเราน่าจะตายใจได้เราจะน่าจะเชื่อถือได้เพราะอะไรเพราะหลวงปู่มั่นเมื่อท่านสื่นตินิรพานไปแล้วกระดูกของท่านก็ได้กลายเป็นพระธาตุให้เราได้เห็นอันนี้คือกระดูกพระรหัสนแล้วพูดอย่างอื่นไม่ได้ แล้วก็ครูบาอาจารย์องค์อื่นเมื่อกันเมื่อท่านสุติมิระพันธนะกระดูกของท่านไปกลายเป็นว่าไปกลายเป็นพระธาตุมากสมากเพราะนั้นหลวงพ่อว่าพวกเราน่าศึกษาเออน่าศึกษาแนวแถวจิตหลวงปู่มั่นที่ท่านปฏิบัติทดลองดูนะให้ภาวนาดูนะให้จิตใจให้สงบดูนะเมื่อจิตใจสงบลปงไปแล้วมีใจแน่ง คือเวลาเรานั่งนั่งภาวนาอย่างหลวงตามหาปู่ท่านบอกว่าแต่ก่อนท่านก็กำหนดเพระท่านเรียนมหาจบมหาปริญจบมาเลยท่านก็กำหนดอย่างที่พระพูดให้เจ้ากำหนดกำหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้หายใจกมันหลุดถูกไมันหลุดท่านก็เลยเอาเถิดหลวงปู่ท่านบอกว่าให้ภาวนากำหนดลมหายใจเข้าพุทหายใจออกโทจะนั้นก็เลยภาวนาพุทโทวันหลวงตามหาปู่ หายใจเข้าพุทธหายใจออกโทเวลาเดินยึงกงขาขวาพุทขาซ้ายโถเวลาปัดกวาดเวียงขวาพุทธเวียงซ้ายโทเดินไปที่ไหนพุทโทพุทธโธมีสติสัมปะชัญญะในการเคลื่อนไหวของตัวเองวันหนึ่งโอ้โหเป็นเรื่องที่ตักมากเลยมันบั ง, บงคับใจเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาวันที่สองมันมากพาวันที่สามแท่ถึงวันที่สี่ต้องบังคับถึงวันที่สี่เออใจมันอยู่กับตัวเองแลว่อยเบา พอวันที่สี่ที่ห้าที่หกใจมันออกไม่ออกจากร่างเลยท่านมันอยู่กับตัวเองตลอดเล ย, เยใจของเราไม่เสื่อมบัี้อยู่กับตัวเองแหละใจอยู่นิ่งแลละนัน่นแหละท่านว่าเราตั้งต้นด้วยภาวนาพุทธถหายใจเข้าพุทหายใจออกถูกอันนี้โลตามหาบุตรจากนั้นท่านบอกว่าเมื่อพิจารณาไปแล้วจนจิตใจนั่งสงบนั่งท่านขืนได้พราใจมันไม่เผลอ ถ้าคนใจมันออกไปแล้วมันจะนั่งไม่ได้นะเออถ้าใจิตใจอยุ่ตัวเนี่ยมันจะมันจะตั้งท่านคืนเหมือนกับหัวต่อแหละปัใจมันไม่ไม่รับรู้ทางร่างกายในขณะที่ใจสงบแต่ก็รู้อยู่ในใจรู้สติเป็นอนไดจิตเป็นนั้นจิตเป็นอะไรไสติเป็นนะไรมารู้อยู่แต่มันไม่รู้รับรู้ทางกายจิตที่เป็นอัปปนาสมาธิ agen, หู ก, หก็ไม่ได้ยินฝนตกฟ้าร้องไม่ได้ยินทั้งแต่ว่ามีสติอยู่กับตัวเองอันนี้คืออัปปนาสมาธิ จิตสงบแล้วถึงขั้นคือนั่นคือจิตที่สงบที่สูงสดุดทึบทึงที่สุดคือจิตอัปปนาสมาธิแต่ขณะสมาธินีน่เวลาเรานั่งภาวนานั่งภาวนาพุโทโธพุโทโธพุโทโธไม่ไม่ท่องจิตท่าอื่ที่ดูกับตัวเองเหมือนกับเคลิ้มเคมเหมือนจะเผลอหรือเหมือนจะหลับอะไรนะรักษณะดอย่างนั้นแหละแต่ถ้าไม่จริงไม่ใช่เพราะจิตของเรามันมันมันจะเข้ามาลุลุ่มสูงมันจะเย็นภาพ เย็นสบายในใจพอเย็นว่าถึงมีความสุขมันก็พั่งออกไปเอะอะไรอะพอเราตี่นมันออกไปในเมื่อออกไป อ, อันนี้คันวะคณนกะสมาธิคณนีกะเป็นว่าขณะหนึ่งเดี๋ยวเดียวมันเข้ามาแล้วมันก็ออกไปแต่ขณะนั้นจำไม่ลืมว่าสมาธิเนียมีความสุขจริงเออันนี้คือคณนกะสมาธิจากนั้นเราอยากให้มันเป็น แต่มันไม่เป็นเอนลงตามาหาบัวบอกว่าท่านไปอยู่กับอุปชาบวชปีแรกอุปชาท่านสอนให้ภาวนาท่านก็ภาวนาพอภาวนาจิตใจสงบรวมพอร่วม อ, อยากจะให้มันเป็นอีกทีนี้พอนั่งอีกพยายามจะให้มันเป็นมันไม่เป็นเอ๊ะเป็นไม่เป็นกับช่างมาันใช่ไหมแล้วภาวนาไปเลยมันก็เป็นอีกเอพอจะมันจะให้เป็นพอในสุดเลยจับได้ว่า เวลานั่งภาวนาอย่าตั้งความอยากให้ตั้งเหตุเอาไว้ทําเหตุให้พอผลมันจะเกิดเองถ้ า, าว่ามีความอยากกินนั้นมันจะไม่สงบอันนี้ก็คือสมาธิคณิกะสมาธิจากนั้นมัเมืพอเรานั่งภาวนามีจิตใจของเราลวนจะกําหนดลมลมลมให้ใจกบเมื่อจิตใจจิตของเราสติของเร า, ส ต, เราสติกับจิตนี่ไม่สงบ ได้ยินเสียงรู้วันเรานั่งอยู่ที่ไห น, นเย็นหนาวร้อนรู้แต่ว่าใจไม่ส่งไปตามเรื่องที่รู้ที่เห็นคือสติมันคุมควบคุมสติมันคิดเรื่องอะไรจิตไม่หิวจิตไม่โหยจิตอยู่จิตอยู่แต่ว่าจิตอยู่คือจิตไม่สลับไม่สลับนี่ใจของเรามันอยู่อันนี้เรียว่าอุปจาระสมาธิ แต่เรากำหนดตัวเองจิตลงวาบเหมือนกับตกเหียวตกบ่ อ, อหรือว่ามันเหมือนกับมีอะไรเหมือนกับลงมันลงไปอันนั้นเป็นว่าจิตรวมสงบลงปุบ๊บลงไปแล้วสติเป็นอันใดจิตเป็นอันนั้นจิตเป็นอันใดสติเป็นอันนั้นแต่ไม่เผลอมาอยู่ในแต่ไม่ได้ยินเสียงเสียงทั้งหลายไม่ได้ยินไม่รับรู้ทางกายด้วยอันนี้เราอัปปนาสมาธิ อัปปนาสมาธินี่แหละเมื่อจิตสงบถึงปู่นนี้แล้วจะแยกกายออกจากจิตแยกจิตออกจากกายจะเห็นได้ชัดเลยรถอันนี้คือรถอันนี้คือคนขับรถจะเห็นได้ชัดเลยร่างกายนี่แตกตายสลายแน่สู่ดินน้ำลงไปแน่แต่โซเฟอร์รถนี่ออกจากร่างเห็นได้ชัดเลยอันตัวนี้แหละจะพาไปเกิดในภพภูมิต่างๆนี่แหละคือทำคําสอนของพระพุทธเจ้าตื้อสายหลงปู่มันนะบอกภาวนา อยากจะรู้จากประตายและเกิดในตาใะสุนให้นั่งโทนนะจะไม่มีใครบอกกันได้ถ้าตัวเองรู้เลยพิสูจน์ได้จะรู้ได้โดยตัวเองตายแล้วไม่สูดจิตสงบเป็นอัปปนาสามาธิจะรู้ได้โดยตัวเองไม่ถึงกับถึงมรรคถึงผล ข, ขั้นขั้นสูงอะไรหรอกเพียงแค่นี้รู้ได้กายกับใจเนี่ยกายกับใจใจกับกายเนี่ยอันนี้หลวงพ่อก็ บ, บอกกับนี่แหละชายหนุ่งคนนั้นบอกว่า เรานี่นะ เ, เราไปถามคนหนึ่งเขาก็ตอบอย่างถามอย่างหนึ่งก็ตอบอย่างหนึ่งเอาเถอะนะหลวงพ่อแนะนําให้ปฏิบัติตามแนวแถวสายหลวงปู่มั่นก็แล้วกันถ้าปฏิบัติตัวแล้วไม่ได้ผลเราจะย้ายไปสายอื่นก็ได้ไม่เป็นไรเพราะมันเหมือนกันมันกรรมฐานสี่สิบมันจะ ผ, ผิดที่ตรงไหนเอ่ให้ศึกษาดูเอ่ตามแนวแถว เออทดลองเขาเคยเคยเคยมีความรู้สึกอย่างที่หลวงพ่อว่านะที่ที่ว่าเออมันรู้สึกสบายแล้วก็ลุกหายไจทีเคยบ่อยนะคะหลวงพ่อ